ูมาวันหนึ่งเสนน ก, กะเห็นปุกกะกุสะกามินทะและเทวินทะทั้งสามอาจารย์มาสู่สำนักตนจึงปรึกษาอาจารย์เหล่านั้นกล่าวว่าแหน่ผู้เจริญทั้งสามเราทั้งสี่คนไม่เทียมทันมโหสถผู้บุตรคฤหบดีก็บัดนี้เขานำภรรยาผู้ฉลาดนักมาเองพวกเราพึงทำลายเขาระหว่างพระราชาเสียอย่างไรดี อาจารย์ทั้งสามตอบเสนกะว่าข้าพเจ้าทั้งสามจะรู้อะไรขอท่านรู้เองเถิดเซนกะจึงกล่าวว่าพวกท่านอย่าวิตกเรามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์ทั้งสามถามว่าอุบายอะไรท่านอาจารย์เซนกะจึงแจ้งว่าเราจักรลักพระจุลามณีของพระราชามาท่านปุกกุสะจงลักสวรมาลามา ท่านกามินทะจงลักคลุมบรรทมกรมพลมาท่านเทวินทะจงลักฉลองพระบาททองคำมาก็และครั้นลักราชาพ์ทั้งสี่อย่างมาได้ชะนี้แล้วเราทั้งสี่จงยังราชาพ์ทั้งสี่นั้นให้เข้าไปอยู่ในเรือนของมโหสถเราแม้ทั้งสี่จักรลักราชาพ์ทั้งสี่มาด้วยอุบายแล้วแต่นั้นจักให้เข้าไปอยู่ในเรือนมโหสถ ทำมิให้ประชาชนสงสัยพวกเราอาจารย์ทั้งสามรับว่าอุบายนี้งามนักเซนนกะจึงนำพระจุลามณีลงไว้ในหม้อเปรียงก่อนแล้วส่งให้ทาสีคนหนึ่งนำหม้อเปรียงนั้นไปสั่งว่าเจ้าจงนำหม้อเปรียงนี้ไปเร่ขายอย่าขายให้แก่ชนเหล่าอื่นผู้รับซื้อถ้าเมื่อชนในเรือนมโหสถรับซื้อเจ้าจงให้เปล่าทั้งหม้อ ทาสีก็ไปสู่ประตูเรือนมโหสถร้องขายว่าท่านทั้งหลายจงซื้อเปรียงท่านทั้งหลายจงซื้อเปรียงเดินกลับไปกลับมาที่หน้าประตูเรือนนั้นนางอมราเทวียืนอยู่ที่ประตูเห็นกิริยาของทาสีนั้นจึงคิดว่าหญิงนี้ไม่ไปที่อื่นเหตุการณ์จะพึงมีในหญิงนี้ จึงยังทาสีทั้งหลายให้เลี่ยงไปด้วยสัญญาอันนัดกันไว้แล้วเรียกทาสีผู้ขายเปรียงนั้นมาว่ามานี่แม่ฉันจะซื้อเปรียงแล้วให้สัญญาณแก่พวกทาสีของตนในการเมื่อนางขายเปรียงมาครั้นเมื่อพวกทาสีของตนยังไม่มาจึงให้นางผู้ขายเปรียงนั้นไปเรียกมานางจึงล้วงมือลงในหม้อพบพระจุลามณีในนั้น ในการเมื่อนางขายเปรียงนั้นไปพอนางขายเปรียงนั้นกลับมาจึงถามว่าแม่มาแต่สำนักใครนะนางขายเปรียงนั้นตอบว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าเป็นทาสีของอาจารย์เสนกะแต่นั้นนางอมารา จ, จึงซักถามชื่อของนางและชื่อมารดาบิดาของนางได้รับตอบว่าชื่อน้อนชื่อนูอน้นแล้วถามว่า เรียงนี้แม่จะขายราคาเท่าไรได้รับตอบว่าเท่าราคาข้าวสี่นานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นแม่จงขายแก่ฉันก็ได้รับตอบว่าเมื่อแม่เจ้ารับซื้อจะต้องการอะไรด้วยราคาจงรับไว้ทั้งหม้อไม่คิดราคาก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็ตกลงแล้วให้นางขายเปรียงนั้นกลับไป ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถือไว้มีความว่าเดือนนั้นวันนั้นอาจารย์เสน ก, กะให้ทาสีชื่อนี้ธิดาของทาสีชื่อนี้นำพระจุลามณีของพระราชามาขายไว้ปายปุ ก, กะกุสะวางสุวรรมาลาในพระอบซึ่งบรรจุดอกมะลิแล้วปิดสวนมาลานั้นด้วยดอกมะลิแล้วส่งไป ฝ่ายกามินทะวางคลุมบันทมกรรมลในกระเช้าซึ่งบรรจุผักแล้วปิดด้วยผักแล้วส่งไปฝ่ายเทวินทะสอดฉลองพระบาททองคาภายในฟ่อนข้าวเหนียวแล้วส่งไปนางอมรารับสิ่งทั้งปวงนั้นไว้บันทึกเรื่องไว้โดยในหดหลังบอกแก่พระมหาสัตว์แล้วเก็บไวฝ่ายบันดิตทั้งสี่นั้นไปสู่ราชสานักทูลว่า พระองค์ไม่ทรงประดับพระจุลามณีหรือพระเจ้าค่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าจะประดับจงไปนำมาอาจารย์ทั้งสี่นั้นไปดูไม่เห็นพระจุรามณีในสถานที่เก็บและไม่เห็นราชาพรสามอย่างนอกนี้จึงทูลยุยงว่าข้าแต่สมมติเทพราชาพรของพระองค์อยู่ในเรือนของมโหสถ มโหสดใช้ราชาพรเองก่อนจะเป็นศัตรูต่อพระองค์ลำดับนั้นคนสอดแนมข่าวของมโหสดนำความมาแจ้งแก่มโหสดมโหสดได้ฟังคำของพวกสอดแนมข่าวจึงคิดว่าเราจะเฝ้าพระราชาจึงจะรู้เรื่องจึงไปสู่ที่เฝ้าพระราชาพระราชากริ้วมโหสดไม่ให้มโหสดเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยทรงดาริว่า ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดมโหสถรู้ว่าพระราชากริ้วจึงกลับบ้านของตนพระราชาตรัสสั่งให้จับมโหสถฝายมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของพวกสอดแนมข่าวจึงคิดว่าเราควรจะหลบหลีกไปจึงให้สัญญาแก่นางอมาราและแปลงเพศออกจากเมืองไปสู่ทกินยวมัชแคมทาม่อเลี้ยงชีพอยู่ณบ้านนั้น เกิดโกลาห์นในพระนครว่ามโหสถบัณฑิตหนีไปแล้วอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นรู้ว่ามโหสถหนีไปแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าวิตกเราทั้งหลายไม่ใช่บัณฑิตหรือกล่าวชะนี้แล้วไม่บอกให้รู้จ่งบรรณาการไปให้นางอมารานางอมารารับบรรณาการที่อาจารย์ทั้งสี่ส่งไปแล้วกล่าวว่า จงไปในเวลานน้นแล้วคิดว่าเราจะให้ทั้งสี่คนที่มาหาเราได้อายจึงเรียกเหล่าทาสีมาให้ขุดหลุมหนึ่งล้อมรั้วที่หลุมนั้นเทคูดกับน้ำลงในหลุมนั้นแล้วให้ปิดแผ่นกระดานยนต์ที่พื้นข้างบนแห่งหลุมคูดปกปิดด้วยเสือลาแผนมีลิ่มสลักสองข้างแล้วแต่งเคหสถานให้ห้อยบุพชาติเป็นต้น ให้เป็นเหมือนหน้ารื่นรมให้ตั้งน้ำไว้ยังสิ่งทั้งปวงให้แล้วเสร็จเวลาค่ำวันนั้นเสนกะแต่งตัวกินโภชนาหารมีรสเลิศต่างๆแล้วไปสู่เรือนมโหสถยืนอยู่แทบประตูให้แจ้งการที่ตนมายังคนดูแลเรือนให้บอกแกนาา่นางอมรานางอมราได้ฟังคำแห่งเสนกะนั้นจึงกล่าวว่ามาเถิด เสนกะก็ไปยืนอยู่ใกล้นางอมรานางอมราจึงกล่าวอย่างนี้กะเสนกะว่าข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของท่านในบัดนี้แล้วการไม่อาบน้ำแล้วนอนไม่ควรท่านจงไปอาบน้ำหอมนี้เสียก่อนจึงมาเสนกะรับคําแล้วไปเหยียบแผ่นกระดานจากอาบนางอมราทำเป็นเหมือนรถน้ำให้ในการเมื่อเสนกะขึ้นยืนบนแผ่นกระดาน นางเหยียบที่แผ่นกระดานกลยังเสนนกะให้ตกลงในหลุมคูดนางยังปุกะกุสะผู้แต่งกายกินโภชนะเลิศแล้วมาในเวลาเย็นให้ตกในหลุมคูดนั้นปุกะกุสะเมื่อถูกเสนนกะเข้าจึงถามเซนนกะว่าท่านเป็นคนหรือก็ได้รับตอบว่ากันเป็นอาจารย์เสนกะฝลายเสนนกะก็ถามปุกะกุสะว่า ก็ท่านเล่าเป็นคนหรือก็ได้รับตอบว่ากันเป็นอาจารย์ปุกกุสะนางอมรายังกามินทะและเทวินทะทั้งสองผู้มาตามตามกันให้ตกลงในหลุมคูดโดยทำนองนั้นเหมือนกันอาจารย์ทั้งสี่คนนั้นยืนอยู่ในหลุมคูดเพียงท้องศีรษะโดนกันและกันต่างถามกันว่านั่นใครนั่นใครลำดับนั้นเสนกะบอกว่า กันเองครั้นทั้งสามอาจารย์ถามว่าจะทําอย่างไรกันท่านอาจารย์เสน ก, กะจึงห้ามว่าท่านทั้งหลายอย่าอึงไปตั้งแต่นี้ไปความอายจักมีแก่พวกเราบัณฑิต ท, ทั้งสี่คนอยู่ในหลุมคูดตลอดคืนนางอมรายังอาจารย์ทั้งสี่คนให้ตกลงในหลุมคูดอันสกรปรกน่าเกลียดอย่างนี้ครั้นรุ่งสว่างให้ทั้งสี่คนนั้น จับเชือกสาวขึ้นมาจากหลุมคูดนั้นให้อาบน้ำพลันให้เอามีดโกนโกนผมและหนวดทั้งสี่อาจารย์นั้นให้โล้นแล้วให้สีด้วยแผ่นอิดจนเลือดออกสิบๆแล้วให้เอาข้าวสารหนึ่งทนานให้ชุ่มด้วยน้ำตำให้ละเอียดบรรจุในภาชนะกวนให้เป็นเหมือนข้าวยาคูเป็นอันมากให้ทาให้ทั่วทั้งตัวของอาจารย์ทั้งสตั้งแต่ศีรษะ แล้วให้เอานุ่นย่อยๆโรยลงให้ทั่วตัวตั้งแต่สีสษะให้ทั้งสี่คนถึงความลำบากมากให้นอนในกระชุกรุเสือลำแพนปิดผูกพันด้วยเชือกให้แน่นประทับตราแล้วให้นำรัตนะสี่อย่างกับอาจารย์ทั้งสี่ไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพ พพระองค์ทรงรับบรรณาการทั้งหลายกราบทูลชนีแล้วให้วางเสือลำแผนทั้งสี่แทบพระบาทธรมูลแห่งพระราชาลำดับนั้นพระราชาให้เปิดเสือลำแผนนั้นออกถ้าพระเนตรเห็นบัณฑิตทั้งสี่มีเสนหนกะเป็นต้นเหมือนกับวานอนเผือกก็ทรงดุษณีภาพฝ่ายมหาชนเห็นอาจารย์ทั้งสี่นั้นก็พูดกันว่าโอวานอนเผือก งามมากงามมากเราทั้งหลายไม่เคยเห็นมาได้เห็นแล้วพากันสวนเฮฮาใหญ่อาจารย์ทั้งสี่ได้ความอายมากลำดับนั้นนางอมาราถวายรัตนสี่อย่างกับอาจารย์ทั้งสี่แด่พระราชา mm. เมื่อจะประกาศความที่มโหสถสามีของตนไม่มีความผิดจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ มโหสดบันดิตไม่ได้เป็นโจรแต่อาจารย์ทั้งสี่ของพระองค์เป็นโจรคือเสนกะลักพระจุลามณีของพระองค์ปุกะกุสะลักสุวรารณเมลากามินทะลักคลุมบันธมกําผลเทวินทะลักฉลองพระบาททองคํารัตนะทั้งสี่อย่างนี้อันอาจารย์ทั้งสี่ให้ทาสีชื่อนี้ เป็นลูกสาวของทาสีชื่อนี้ทรงไปขายให้ค่าพระบาทในวันนั้นเดือนนั้นขอพระองค์ทอดพระเนตรหนังสือบันทึกสำคัญนี้แล้วทรงรับไว้เป็นของหลวงและจึงทรงรับโจรและรัตนะเหล่านี้ไว้ยังชนทั้งสี่ให้ถึงความแปลกประราดอย่างนี้แล้วถวายบังคมลากลับบ้านลำดับนั้นพระราชาไม่ตรัสอะไรอะไรกะชนเหล่านั้น เพราะทรงระแวงในพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์หนีไปเสียแล้วและเพราะความไม่มีชนเหล่าอื่นเป็นมนตรีผู้บัณดิตตรัสสั่งแต่ว่าท่านทั้งสี่จงอาบน้ำกลับไปเคหสถานของตนโจนลักรัตนะสี่คนจบ